ว่าอ่านหึเมื่อหลังนห้มาไว้ใช่หมันงงงเนาไว้เนั้นเพิ่ก็เล่าองา่มผมดตัวูสนาเนววันนี้่นนหวยานั้นมาถมคโอยพอหนอยใช่คว่าเื่่นก็นั่ดว่านมาอน่อยอคละต่างฝ่ัเอ้าอันนั้นไปอันน ทำเป็นเลื่อนว้าต้องซื้อตำราแว่นดวงใจกันยโอ้ผมอ่านจนแหลกตัวงงอุดๆไม่รู้งงแส่งก็อ่านงงแสงนัองทำงานี่พุ่น ม, มันก็อ่านหนงมันมงงแสงผมอ่านทักอ่านแนวดีๆเพราะมีใครเสี่ยงพันหานได้รายเอีดออกยิ่ง ก, ก็ตนราวอาผมคำนั่งปัจิบ่ายยุ่งยุง่นีด้วยบอมมันเป็นติดใส่กระโดดเลย อ๋ออะไมันสียคหาได้ผมมองนั่ตั้งวงยี่วันพิจาที่นั่นนงมุกนันไม่ใช่เรื่องคันหามิเตื้อหนิมันว่อนกับมันมันร่วงกับมาตัวกับมันหนิไม่รงทนเอาวิจิตหนิมาให้นั่งทงใส่วันไหนเปิดมันสียคหาดูแนวนั่นได้ช่องเดินไปได้นี่ไปทางเดินอย่างนี้นึกว่า ท่านมาองเาวผมถายตัวไปหลุดคิดท่านมาเล่แม่สู้แน่เนีมยนี่เฉพาะในออกพจน์สมมาคังนี่นี่พอดีคนเดียวนะแต่โน่ก็เลยมาหลับตรงไปปีนั้นแหละปีตันห็กเบ้ายิ้ผมผมไปลอมฟังถูกไห ผมธรรมะธรรมัน่ามาผูกานแต่ผมพอห่างไมาค่องอะไยู่แต่กันดูกระหม่มดนจวดเร็วเนี่ยต้องใช้ในตก็ให้พาไปนู่นไปนหามาทนที่ตัพูดกระโดดเข้าใจไว้ว่า อย่ห่างกันมันเกิดกองใจเลมัก็ด้วยผมไมู่ถามยิงนี่ยว่าคือด็กงดีสุดนมันมองกันยันวหวันาทันเน่ว่าผมาถะโจดุทที่ไหนะาิมันคันเป็นคนกระถิ่นูยเป็นคนทำตนด้มใช่กระถิด้ยมใช่ทาตนด้ย มันเ็นเงานสียใจยนด้วยหลังนั้นทำพศ95นะคับตั้หารครับมผมดีกว่าทีา่ถามคัอนแจงตอนนั้นเวลาสัาหเล่าไปเล่าไปเราเล่าไปผมฟังไม่ค่อยเข้าใจยิ่งไปละเอียดเท่าไรผมยี่ไม่เข้าใจนี้เวลาผมไปไปฏิบัติตรวงผมผม ปฏิบัติปฏัพอเข้าใจอะไมันโผคือธรรมะธรรมหาโผมันมันรับกันพอผมเข้าใจเรื้องนีาธรรมะที่สมหาไคยพูดตรงที่ผมไม่เข้าใจแตก่อนมันโผมารับกันรับกันเป็นหวงนี้โอ้ทำไมเสียายย้อนหลังโอ้แต่ก่อนนมันเข้าใจทีนี้เข้าใจง่นพูดงั้นอย่างนี้เจริงจริงิดนั่นทีนี้มังมีความรู้อื่นแปกๆคัญะ ให้ทำีจะมีคว้อย่าที่ผมเป็นเี่ยวต่อขอนแก่มืองนกันท่านรู้ดวงหน้าไว้สองวันนั่นแหละอย่างาพูดกับพลาดแล้วพกางบอกว่ากีทั้งสองนั้นวันเนี่ยไม่นานครับผมจะได้พูดเป็มากกับท้าองค์สาคัญท่านว่าองค่สำคัญ ท, าญท ต, ตางๆองค์เดียวหนึ่งแน่แน่เพราะว่าทนให้คนจื้มหัวให้คนหัวนี่ไป อยที่ ส, สลามไพวสลามไม่มีนะกรทำาจะไปอยู่ตาเวลามาาี้ก็มาถานถ่านเข้ามาในวันนี้ยังไงให้ได้พบกับผมก่อนก็มาถาให้พบผมก่อผมเคคุยธรรมะกับพระโอรสขันดีเร็ว ๆ, ๆนี่ธรวะ น, นั่นนที่ว่าที่เรายอมรับก็คือว่าถ้ามีอะไรที่า้ง ม, มันมีผลที่จะยอมรับเป็น ข, อข้อควมถาวคือนั่นปนกรก้าวขั้นีดเป็ะการสาวย่อยตายตอกนั้นมาพุงนี้ี่ น, นี่มาหล้ว่อนเตียนมาเขาในบ้า น, นให้น้องชาไปฏิบัติแล้วไปหลบนี้้าเงินบุ่นลายเราหาข้อบำหาิเรานี้เขาปรยุนตัวปูเวียงคนเดียวไปกินเขาอาสายบินระบายเขาข้าหลงขาเรือ สบายอยู่นั่นเขามาทำร้านในรื่องนั้นก็ทำามกฎมสบายอยู่เนเรื่นงนั้นก็ว่ า, ามไฟนะเดี๋ยว่นะครับารที่จะไ ป, ะปะาาตัวนั้นต้องหารื่งจังบือแต่ถ้าเราไม่ฝนถ้าเจะไปเรไปความที่จะไปทาํายู่ตองเบื พอผมไปก็เห็นพระอย่างนั้นอสิ่งของที่ว่ารักษาไม่ไม่มีอะไรที่สลามีจตกระตหนก็ะโหนมะ่หลังวนะ่างสองนั้นไม่ไมีอะไรพอผมไปแล้วพระเลยมาก่ อ, อกนคะรับปุ๊บ ก, ก็แบบเข้ามาเือหมดมาก่ อ, อ, กอกนครับคนกข้ ข้าราบางเอืงผมยังไมรู้เรื่องว่าผมเป็นใครนี่นเออคือคือมันงงผมนี่นะ่อคือผม่าเรก่องของการทำบางขาวข้างอาการั้งล่าคำพัวอยางนี้ขึมุดมัมาอย่งนั้นดมันได้็ขึงเขาขึ้นเมือน รอ้ว่าผมเพิ่งมาเมื่อวานนี่คือขั้งสังว่าดูผมตาผมเคยมีนิดๆแต่ผมเคยีึการรมะกับพระองคงก่อนองค์เล่าหนีแน่นอนเลยอย่นี้แน่นอนเวลาสามวันทั้งทั้งว่าไปเต่าก็อยู่ที่เสเพราะว่าพระกำลางถามมาจะต้องมาที่หลวงการท่สลานีเวลาพระมาถามองค์ในพระกามมาที่นั่นแล้วแม้ว่าผมมีความจเป็นจะไป ตามบ้านตามไม่อยู่วัานกี่ขอให้พระธรมานนนั้นต้องรอรออยู่นะพระธรรมานมาเรืบอกผมอาจารย์จะรีบบื่าจารย์จะมาไหนอทั้งคืนก็รีบก็รีบบอกอมขอคระสงฆ์เดิมาพับอยู่ที่นี่ มาคมาเออน่มาเลมามาพักกรรมคั่ท่านวางการที่จะมาู้วเป็นใครเนี่ผมมาหรืื่อน่ีเรื่องผมู่กูติดต่างนมาายนี้เาก่อนน เรั้นมือผลจะรอดได้ไม่ต้องงานใดๆได้ถามอ้ชื่อวาอ้ท่านกานรมาตรงไหนผมก็บอกผมมาจากอุกกาศผมไม่รู้ว่ามาจากห้สที่ผมกำลังฝาผมเอาหลักปัจุบันตั้งผมมาพงมาพักเดี๋ยวผมมาท้าที่วัดโพสองคืนแล้วผมมาพังอที่บ้านสองคืนผมก่ออุกกานปัจจุบันก่อน โอ้ไม่แต่โบราณแตนี่ยดาวเที่ยวอะไรถามไปละมันระวังนอเหมืนตัวตัวประดังๆถามไปละมันโอ้แต่เด็กลูกเ่ยคนไหนเออเป็นห้องขอเขาตังพักอะไรอยงเงี้ยหลังนี้เป็นห้องงเขราะเขเปรงนี้เฉียงเฉียงกอด เรื่องนึงครอบครัว <Character> ท <Voice> oh, okay, ี่ไปดูไปเรื่องมันวางงานนะแล้วก็ถามคือผมก็ว่าออาจารย์ามบัวหหโนี่ารพูดถึงก็เหมอไหว้หัวมันคัญนะผมมาือสาวคนางัไปเอาเรื่องเนี้มาเกี่ยวข้องนไม่ได้นะ ผม ม, ม, มมาหมัดมาใส่คือเอกสารผมไม่ีติดท่าสำคัญเรื่องท่านเรื่องท่านต่าเรื่องของเรื่องผมนะเขาไม่ว่าแต่ถ้าท่านูดถรงท่านอาจารย์ท่างหน่อยอาจารตอนเรานี้อาจารย์ธรมาสตร์ยุค่อยตายวนั่งรู้ไปหมดแล้วนะครับถ้าเราบอกว่าคตายยุคนจะป๋งตัวนั่นกอนน้อยบอกมืรู้มืตอนมาบอกถือบอกือบัวกาน เนตกับจำนาสาด้วยกันผมมาที่ท่าเบึมไปคลองแก่งก็เข้าไปอมกภูยางเหมือนกันผนั่งคุยาสร้างจเนพูดอย่างสบานาเขาไม่รู้ว่าผมเคยจำสาทัเนตรเพราไม่รู้ว่าผมอยู่ที่หยวใจจสาวนน้างจำเนรก็มานี่แหละเพิ่งผ่านไป่กเ็วันระอูยางนู่นท่านมาท่านจำนาาวก้ามัวการที่ยังไม่ผานชื่อผมนะ ผมก็เคยมันหมาป่าหอมันเคยมันฟองรุนูเรื่องนี้นเยกั้วท่านอาจารย์กางกาก็เหมือนพูดว่าเคยอยู่ฉันผ่านเ้เอางเง้อย่างั้นกจะคานสามสี่คืน้วยห้าสองคุ้มไปถึงห้าคุคืนที่สองสองคุ้มไปถึงหกคุ้มคืนด้วยสามสองคุมถึงปีน คุก็ mm. ืน no, no ัก yes. ็ไม่กันเลยเราทำระบายหท่ไป่ก็มันไปสอบมะอะไรก็มูนะเราแบบนั้นไปแต่บาๆกันเโมาถึงเดียวนะดูว่าถึงเดไ้งเดียวเนี่ยเาลเร้มุชาวานนี่กาสี่ผมร ทางเกิดข้อค้ อ, อ, ง อ, งองใจขึ้นมาในเวลาดกมทานพิธีงานมันข้องใจขึ้นมามันจะขอแก้ไม่ได้จะไม่ตกต้องคิดถึงแต่หน้าทานมหาดันั้นเนนขาะแก้ได้หรือเ่าบางคนเหนคิดถึงใครทำงานมันก็มาหยุดมันกิอย่างนี้ยังไงผมออกทางกาชีพด้านหลังนี่เดือนม่ถุนายนวันที่ ย, ยี่สิบเจ็ดของผมไปหาทนมิลนา พยายามไม่ติดทำนี้นันที่ยุบแ่ครั้งคงมึนขยันไปแล้วไปไปปิดทุกเพียงนี้ไหว้พระราะรัตนสานหาเปโปรว่านีเงรารัตนสถานมหาบัวมาโปรโดด่วนว่างั้นนันคือ พ่อผมต้องาพูดแบบโตกแต่ผมพูดเปนเถื่อผมพูดกามขัวใจผมเกิดผมหลังพุ่งมหาสิ่งง่ายไงท่านหารูกแล้วผมท่านขวายตัวเป็นผู้ิดกษามหาห่านดูท่านนักสื่อหานท่านนกวิเคราะห์เราคอยอ่านนี่น่เขาพูดแล้วพอแต่พูดกันจนแล้วที่ท่านจะกลับใจล้างใจด้วยหนังซีนีมาด้วยมันจะลุ่ง ขอไปเลยท่านมหาเรื่องความนันมานาามหาโอ้ท่านจารย์ศึกาน่ไมได้นั่นเรื่องกระคบเพลนใหญโตมาหนึ่งวัดนี้ขาเรื่องว่าท่านอาารรังเกียจเฉพาอย่างนี้คือผู้ที่รองท่างกาจารนั่นนั่นชวิตคนนี้อนมาแล้วพระนึงจะโปรผมอะวางหมดนี่อันหนึ่งอันสองท้องยากรวมอันสามเขาทำยังไงนี่ไปควาผมโดยแล้ว่โอ้ผมมีระดับประมุขนาง ว่างเอาย่งไก็ขอท่านอาจารย์ได้ศึกษาเลยนทานซะก่อนแล้วยังไงก็ท่านอาจารย์ก็ไม่ควรไปพร้อมเสรกี้หลังเรื่องร้อยลเข้าใจถ้าไปพร้อมผมมีแหลกเลยผมเลือกือเลยแล้เรื่องขอผมเน่แนี่ยคืเน่เขาเป็นว่าท่านอาจารย์ไม่ไ้ท่านอาารทั้งองค์เนี่ยถ้าออกปุ๊บไปเลยไม่ได้เรื่องจะโพรของตัวธรรยิ่งไปแล้วก็ผมด้วแล้ว เขาจะหาเรื่องมาโผลมาทอนการมาลาขั้นกางตเนี่ยถึงขั้นการองความพอใจไปไเขาจะ้ความเสียงเลยขอใขการที่งานดีรงนี้ลั้ควาร่างโผขอถวายความแล้วก็ขอปัดขัานการอ่ว่าผมร่วงคืนโอ้จะว่างไว่างไั้ผมจะุพระพระั่งถามมักนะัเก่าจะ่า่อนร่ดี ก็พอมาหน้าโอ้ยนั่นขม่าแต่นั่นอย่างนั่นอย่างนั่องันม่กาก็ถุ้ยหน้าก็พูดตันรถพาูโอ้ยโอ้ม่ได้ไม่ได้โดนตองตีผมเลยตอะตีผมก็เป่นพี่อยท่านๆต่างๆด้วยแล้วน้นั่านการนจะไปแล้วก็หาวาผมกับท่านการทะเลาะกันหน่ยรอึว่าผมทะเงาะใหญ่แตสูงแบบปกครองว่าว่านี่ผมยงแรกหมด ขอจะตั้งใานล่างจริงไม่คิดว่ามันจะคิดจะหนักเลยไม่ได้ใจเรายอดโยมที่ออกนังง่งก็เนยอดโยมอันนั้นก็นันกการัดขอใหไม่ห่ากขจอนถ้ามันเย็นองเยนเน็นก็ไปคุยมากซึงออยถุง้าอปิดประตูหมดเลยไงใครขอ นิสท่านกเา เ, าเหมือนกันาพูดธรรมะพอจะไม่ไทเากป้องกอันนี้นิสัยนี่ท่านเราคงกั น, นเลยพูด้เล่าอู้เรื่องนี้นั่นทีน่ทก่านรวมนนนะรวมตัวได้ น, น, นทาบอกว่าตหาพี่นามีม่นาไ ม, มา่ได้ไม่ได้พี่นาพี่ามอนั่นมันก็หมดไปแล้วมันมันไม่รักันวางกันนั่นก็เข้าใจบที ท, ทีพูดตรงไหนท่นนาปปรนรอบ ใครจะปิบติอยู่ที่ไหนก็ตามะเรื่องผนที่มันแสดงขึ้นมามันจะเหมือนๆกันพิจาราจะกว่าพิจารณาเรื่องร่างกายเรื่อนี้แบบโเอาจงแหลกจนละเอียดเดี๋นี้มันไม่เชียองกันละเเลยมันไม่เอาเลยมันรวมตัวเข้าไปมันไม่น่าจะพิจารณาอะไรหีนี้เรื่องนี้มันดิ่งดิ้นดิ้นด้นันห้า่ไมันจะดูมัดูอะไไม่ได้เลือก พอแ่านจะพิจารณาไปรรงไงสิ่งนั้นเกิดข้อาใจเปนมาอย่างั้นอย่างนั้่างนั้นหวานรัละเอียดเลย่บทธรรมะเสืส days, ่อาแล้วเราก็ถลายธรรมะานพอพูดพอพูดนั่นแล้วเอออะไรที่นีเข้าใจอะ้วนี่เข้าใจที่ปฏิบัติเอออย่างนี้ท่านเออเออเอแล้วเออเเข้าใจที่นี่เข้าใจที่ปฏิบัติแต่นั่มันน้ำปนน้ำไม่ ถ้าท you know, ่านพิไรศพูก hmm. yeah. so ่อนมีญาติีโยมแล้วเราไปมาใน้างคืนไปมาญาติหลังไม่ตื H ่หมวเต็ด้วยหูวหนวกเวลาท่านพูดกับเราคำไหนเราก็ไยินม่อว่าเราพูดัท่านตะเบเลยมันก็ไม่ได้ยินเป็นไงเราก็มีปัญญาเนยเลาจนหมายน้อยหัสือน้อยมากเสือนแต่ถามปัญหาเป็นพอหลังขพอท่านพอท่านดูท่านอ่านท่นยึดยกขึ้นสาธุเลยนั่นแห้งยกขึ้นจบเลยนั่นสาธุเลย ก็เสแล้วรก็ท่านเราก็ขอจักท่านหน่อยใหยืมหน้ากักหลการเดียวแอยนีอันนี้เป็นืปัญหาหหออแล้ละท่านก็ตอบมันหมดความใจจะหยุดรอดแล้วถ้าทำเือว่าท่านตอบไม่ถูกอเอาเคสก็ถาม เทของจุดนั้ น, น, นเป็นอันตายเป็ น, นว่าแน่นนะครับรุทนั่นเต่าจะไปได้เต่าอะไเนาะไปได้เทบานัานนะมะมีกันนันะ